การสวดพระพิธัมในงานศพทุกท่านคงจะว่าการสวดพระพิธัมหรือการ และท่านก็ให้ความเห็นว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่อซึ่งเมื่อผู้วายได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ได้นําเอาคัมภีร์พระภิธรรมเข้ามาเกี่ยวๆประการนะ เป็นเพราะว่าพระพิธรรมนั้นไม่กล่าวเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็เป็นอัพยากตะค่ะคําว่านั้นก็หมายถึงธรรมที่ไม่เปเปเปเป 5 บ้างเป็นอายตนะ 12 บ้างเป็น 58 บ้าง เป็นอินทรีย์ 22 บ้างอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่ง ท่านโบราณอาจารย์บัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็น เพื่อโปรดพุทธมาดาซึ่งสิ้นชนไปแล้วดังนั้นเมื่อด้วยโดยถือว่าเป็นการเสนอพระคุณของบิดามารดาตามแบบอย่าง แต่การที่มีเนื้อหาอันละเอียดมากนะคะเอาพระพิธัมมาแสดงในงาน การสวดพระพิธัมนี้บางทีมาติกาค่ะถ้าเป็นพิธีสดับปกรณ์ต่อเมื่อภายหลังนะคะมีผู้รู้ได้ เราก็เลยซึ่งมีทั้งหมดเร 9 เรบริเฉท